สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นที่4ครับย0กฎทองคากฎข้อที่13กฎแห่งความสมดุลครับกฎข้อที่4นั้นก็คือกฎประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและปริมาณต้องมีความสมดุลกันครับ ท่านศาสนาจารย์ดอกเตอร์เลิปเทงนั้นได้ให้ข้อคิดไว้อย่างดีจากพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูได้ทรงเล่าคำอุปมาเรื่องการหวานพืชนะครับเราจะเห็นสถานการณ์สี่แบบหรือที่เราเรียกว่าดินสี่ประเภทนั่นเองประเภทแรกครับก็คือการหวานพืชที่เมล็ดพืชที่หวานแล้วตกตามทางและนกก็มาจิกกินเสียนั่นคือประเภทแรก ประเภทที่สองครับมเมล็ดพืชที่หวานแล้วตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกและเมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะไม่มีรากจึงเหี่ยวไปประเภทที่3ครับก็คือดินที่เราเรียกว่าต้นหนามดินที่มีต้นหนามก็คือการหวานมเมล็ดพืช ไปตกอยู่ท่ามกลางต้นหนามครับต้นหนามก็งอกขึ้นปลอกคลุมเสียไม่สามารถเกิดผลได้แต่ว่าประเภทที่สี่ครับก็คือเป็นดินที่ดีมเมล็ดพืชที่ถูกหว่านตกเข้าไปในดินที่ดีแล้วก็เกิดผลสาสิบเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างและหนึ่งรเท่าบ้างพี่น้องครับตามที่พระชนะของพระเจ้าได้กล่าวไปแล้วนั้น เมล็ดพืชตกในดินดีพี่น้องสังเกตนะครับก็คือในประเภทที่4ีประเภทที่สีนั้นเราจะเห็นว่าท่ามกลางดินสีประเภทหรือการหวานพืชทั้งสีประเภทนี้ถ้าเราอยากจะให้จํานวนเพิ่มมากขึ้นมีอยู่ทางเดียวครับก็คือหวานมากขึ้นถ้าหวานเมล็ดพืชสัก100เมล็ด ก็จะเกิดผลเหลือ25ถ้าหว่าน200เมล็ดก็เกิดผล50เพิ่มขึ้นเท่าตัวครับนั่นหมายความว่าถ้าเราหว่านแบบไม่เจาะจงพื้นดินอะไรเลยนะครับหว่านลงไปเรื่อยๆหว่านลงไปเรื่อยๆก็จะลงพื้นหินบ้างก็จะลงตามทางบ้างก็จะตกลงไปท่ามกลางต้นหนาบ้าง แล้วก็มีอยู่หนึ่งในสี่ครับตกเข้าไปอยู่ในดินที่ดีดินที่ดีนั้นก็ได้รับไปแค่หนึ่งในสี่แต่หนึ่งในสี่ตรงนั้นนะครับก็จะเกิดผล30สบเท่า60สิเท่าและหนึ่งร้อยเท่าพี่น้องครับบางคนพูดอย่างนี้นะครับว่าเราต้องการคุณภาพไม่เอาปริมาณไม่เอาจำนวนแท้จริงแล้วพี่น้องจะเห็น จากขบุปมาของพระเยซูในตอนนี้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณมันเกี่ยวกับเรื่องของจํานวนด้วยครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดแท้จริงแล้วเพราะว่าคุณภาพนั้นมาจากจํานวนนั่นเองถ้าไม่มีจํานวนคุณภาพจะมาจากไหนครับมันหมายความว่าถ้าไม่มีคนให้สร้างไม่มีคนมาเชื่อก็จะไม่มีคุณภาพของคนหรือไม่มีสาวกนั่นเอง เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นครับต้องเพิ่มจำนวนเพิ่มปริมาณหลังจากนั้นคุณภาพก็ตามมาครับท่านศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นยกตัวอย่างคริสจักรในฮ่องกงมีแห่งหนึ่งครับใส่ใจเรื่องการเสริมสร้างจิตวิญญาณของผู้เชื่อศาสนาจารย์ศิษย์พิิบาลผู้ที่ดูแลคริสจักรเลี้ยงดูดีมากเลยครับ40ปี พอ40ปีให้หลังคึชจากแห่งนี้กําเนิดคุชจักลูกได้5แห่งด้วยกันแต่มีคุชจักอีกแห่งหนึง่งที่ฮ่องกงเช่นเดียวกันครับเขาเน้นได้ใส่ใจในเรื่องของการเพิ่มปริมาณควบคู่ไปกับการเพิ่มคุณภาพการเพิ่มจํานวนคุชจักลูกปรากฏว่า40ปีเปิดคุชจักใหม่ มีคริสจักรลูกถึง60แห่งครับมากกว่าถึง10บเท่าตัวจาก5แห่งนะครับของคริสจักรแห่งหนึ่งเปิดมา40ปีแต่ว่าอีกแห่งหนึ่งมีคริสจักรลูกถึง60แห่งครับ60แห่งมากกว่าเกือบสิบเท่าจริงๆสมมุติว่าสมาชิกของคริสจักรแรกนั้นมีจิตวิญญาณดี มีคุณภาพสูงมากเลยครับให้ไปเลย 80% แต่ว่าคิดจากหลังนะครับที่มีคิดจากลูกเยอะแยะมีจิตวิญญาณดีขอแค่ 20-30% ก็พอรวมไปรวมมานะครับเปรียบเทียบกันแล้วก็จะปรากฏว่าจำนวนปริมาณและจำนวนคุณภาพก็ยังจะมากกว่าครับพี่น้องครับนั่นคือหลักคิดคณิตศาสตร์ธรรมดาธรรมดา จากพระวจนะของพระเจ้าทีนี้กลับมาดูในคริสจักรของเราพี่น้องครับคริสจักรนั้นจะต้องมีผลมากต้องเกิดผลมากถาวายแด่องพระผู้เป็นเจ้าครับเพราะฉะนั้นการที่ใครจะบอกว่าคุณภาพชั้นดีโดยที่ไม่ต้องเพิ่มปริมาณก็คงจะเป็นไปไม่ได้นั่นคือความเข้าใจผิด ในขณะเดียวกันครับเราก็ไม่มุ่งเน้นปริมาณจํานวนหรือจะเอาตัวเลขอย่างเดียวก็ไม่ใช่ต้องดูคุณภาพเช่นเดียวกันจึงจะมีความสมดุลพระเจ้าทรงโปรดเรื่องคุณภาพและปริมาณเราต้องเอาทั้งจํานวนทั้งปริมาณทั้งคุณภาพเพราะเนื่องจากคุณภาพของผลผลิต มาจากจํานวนนั่นเองคุณภาพของผลผลิตนั้นก็เกิดมาจากจํานวนนั่นเองเป้าหมายสุดท้ายก็คือนั่นเรียกว่าการเกิดผลมากการเกิดผลมากหมายถึงการเกิดผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเห็นพระทัยของพระเจ้าโดยที่เราเองนั้นจะต้องยอมรับ และเพื่อที่เราจะเกิดผลมากจริงๆพี่น้องครับเมื่อผมอ่านข้อความนี้จึงทำให้ต้องกลับมาดูคริสตจักรของพวกเราขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเพื่อให้คริสตจักรของเรานั้นจะเกิดผลมากและทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณไปพร้อมๆกันจะเกิดผลได้ไม่ใช่อยู่ที่ผู้นำ เพียงคนเดียวหรือใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ทุกทุกคนในคริสตจักรจะต้องร่วมมือร่วมแรงใจเพื่อที่ทั้งกายและใจนั้นจะประสานเป็นหนึ่งเดียวระหว่างคนทุกคนในคริสตจักรเพื่อที่จะขับเคลื่อนคริสตจักรของพระเจ้าให้ไปตามน้ำมันไยของพระองค์และเมื่อนั้นแหละครับเราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าอย่างอัศ จ, จรรย์จริง อามิน